จริงๆชีวิตของอมนุษย์ที่เกิดมาในความเกิดสิ่งที่เป็น <c oughs> ประโยชน์และกะ็เป็นสาระ ที่สูงสุดก็คือได้สร้างบาเพ็ญในกุศลผลลำบุญไว้จนถึงคำว่าบุญนะขั้นสูงสุดก็คือบุญขั้นภาวนา ฉะนั้นหัวใจของการปฏิบัติ <c oughs> หรือว่าการภาวนามันอยู่ที่ว่าจิตที่ภาวนาไปทุกวันทุกวันทุกวันสามารถที่จะชำระจิตให เราเบาบางจากอำนาจของสาสวิกิเลสได้มากน้อยเพียงไหนถ้าเราสามารถที่จะชำระขัดเกลาจิตได้มาก จิตของเราเองก็มีความสว่างสวัยขึ้น <c oughs> รู้แจ้งทำมากขึ้นเห็น <c oughs> สปปรรพสิ่งที่เวียนเกิดดับเนี่ยมากขึ้นแต่การปฏิบัติของเราถ้า การขัดเกลาจิตเนี่ยที่ยังไม่สำลิดผลหรือว่าสำเร็จในมรรคผลนก็ดูเหมือนว่าเราภาวนาแล้วจิตก็ไม่เจริญขึ้นเหมือนย่ำอยู่ที่เก่า แล้วก็ไม่ได้เดินออกไปไหนนั่นก็หมายถึงว่ายังบกวนเวียนอยูอ่จุดนี้เป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นการภาวนาเราก็ต้องกำหนดดูว่า จิตของเราเนี่ยสงบและก็สงบจากอะไรเป็นเหตุให้เกิดความสงบถ้าสงบจากการทำฌานจากการทำสมาธินั่นเขาเรียกว่าสงบจากฌาน แต่ถ้าสงบจากจิตอันได้ชำระกิเลสจุดนี้ก็ชื่อว่าเป็นความสงบที่ประเสริฐกว่าคือมีสภาพรู้ในขณะ และภายในที่มีอุปนิสัยสาศาสวกิเลสน้อยใหญนะ่เราสามารถที่จะชำระให้จิตนั้นเบาบางจากอำนาจความโลภโมโทสันได้ถ้าสงบจิตอย่างนี้ได้นะจะเป็นความสงบ เพื่อบรรลุมรคผลในภายภาคหน้าฉะนั้นผู้ภาวนาเนี่ยเราเองจะต้องอพิจารณากันมันพิจารณาแล้วก็กำหนดดูว่าภ <c oughs> ายใน ใจที่นิ่งใจที่สงบมันเกิดจากอะไรถ้าเราเราไม่รู้เนี่ยแสดงว่าการปฏิบัติไม่ได้เจริญสติเพื่ออบรมจิตอย่างแท้จริงฉะนั้นจุดนี้ ผู้ภาวนาและกอ น, นักปฏิบัติทั้งหลายจริงจะต้องรู้ว่าจิตที่เคยวู่วามมันมีสติสัพัญญะมีความสงบมีความเยือกเย็น ลงบ้างมากน้อยเพียงใดผู้พอนาต้องกำหนดดูอย่าปล่อยบางคนปฏิบัติอยู่หลายปีก็ได้แค่เอาสามาธิขม่มชั่วครู่ชั่วยาม พอถอนออกไม่นานพอสมาธิจางไปโลภโกรธหลงก็แสดงตัวตนอยู่ภายในอย่างมากฉะนั้นวิธีการปฏิบัติถึงขั้นเด็ดขาดกันแบบจริงๆจังๆก็คือ ต้องกำหนดจิตว่าจิตของเราเนี่ยยังมีกิเลสกองไหนต้องกำหนดดูความโกรธมีมากแค่ไหนความโลภมีมากเพียงใดความหลงไหลครั่งไคล้ความยึดติดอยู่ในวัตถุสิ่งของบุคคลสถานที่ หรือชื่อเสียงเกียรติยศทั้งหลายนะต้องกำห น, นดดู ว, ว่าเราเนี่ยมีมากน้อยเพียงไหนภายในใจของผู้ภาวนาที่เขวบอว่าปฏิบัต ให้จิตของเรานะเห็นจิตภายในของจิตตัวเองนี่คือการกำหนดรู้รู้ในสภาพธรรมไม่ใช่รู้แต่ว่าเกิดแก่เจ็บตายนั่นมันเป็นของร่างกาย แต่เราต้องรู้รักชอบเกลียดชังมั่นหมายยึดติดต้องกำหนดสิ่งใดที่ยังละไม่ได้ก็ต้องพยายามทำความเพียรเพื่อละจิตนี้ให้ได้ไม่ใช่ว่า มันมีอนุสัยรากเง่าดังเดิมอย่างไรเราก็ปล่อยให้ใจมันเป็นเหมือนที่มันเคยเป็นถ้าอย่างนี้ยังไม่เชื่อว่าเป็นการขัดเกลาหรือเป็นผู้กำจัดกิเลสตันหา ผู้ภาวนาจะต้องกำหนดดูแล้วก็ต้องรู้ว่าภายในจิตของการภาวนาสงบกิเลสตัวไหนบ้างความโลภความกำหนัดด้านกามความติดอยู่ในสิ่งใด ก็ต้องกำหนดดูเมื่อกำหนดแล้วพอรู้สภาพธรรมที่ปรากฏขึ้นภายในผู้ภาวนาจะต้องมีความเพียรที่จะแผดเผามันให้ได้ตรงละ ความยึดติดความผูกใจความลหลงไหลอยู่กับใจที่เกิดขึ้นภายในถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นได้ ไม่สามารถที่จะหลุดได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้การปฏิบัติภาวนายากง่ายก็คือชีวิตเหลืออยู่ก็คือจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไป ใช้ไปพูดไปมันก็คือสิ่งที่เราได้สร้างไว้เป็นกรรมแล้วกรรมอันมีวิบากคือผลแห่งกรรมก็จะติดตามตัวเราทำอย่างไรให้ใจใสใจสะอาดใจบริสุทธิ์ <c oughs> แล้วก็ไม่หลงติดอยู่กับสิ่งใดเราต้องวิจารณาดูพอรู้เสร็จการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเอาธรรมะเข้าไปอบรมจิตภายในจิตไม่ใช่ว่า เรายึดติดอยู่กับความยินดีพอใจชอบใจอย่างนั้นไม่ใช่เราไม่ตามใจเราตามธรรมะเราไม่ใช่พอใจแต่เราพออยู่กับธรรมะแล้วผู้ภาวนาจะรู้แจ้งเห็นธรรมะภายในใจ ผู้พาวนาจเจนธรรมะภายในใจใจที่ไม่เห็นก็เพราะไม่มีธรรมไม่ได้รู้สภาวะจริงฉะนั้นใจที่เห็นก็สามารถมองรู้ถึงจิตภายใน เมื่อ ก, กำหนดได้เป็นมารก็รู้เป็นพระก็รู้เรารู้การแสดงออกมาถ้าเราไม่ควบคุมอำนาจของฝ่ายมารมันก็จะแสดงออกมาเป็นอกุศลทั้งทางกายวาจาและก็ แต่ถ้าเรารู้ก็ต้องสลายจิตที่มันเป็นมารทำให้จิตที่เป็นพระเนี่ยปรากฏขึ้นมาจิตที่เป็นพระเนี่ยให้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็มอง ให้รู้ให้เห็นตามสภาพธรรมพอเราเข้าใจภายในที่มีภายนอกที่เกิดภายในที่เกิดภายนอกที่มีอยู่จิตสติ ทำปัญญานะเมื่อรู้ชอบแล้วสิ่งทั้งหลายนะเราจะไม่ทุกข์กับมันจริงอยู่ว่าทุกมีเหตุของทุกมีแต่เมื่อเราเข้าใจทุกเหตุของทุก จิตนี้ก็ไม่แสวงหาทุกข์อีกจึงเรียกว่าเป็นจิตที่สงบและถ้าการภาวนาได้สงบอย่างนี้เป็นความสงบที่ประเสริฐเพราะสงบจากภายใน ต่อจากนี้ไปจะมีเสียงภายนอกรอบตัวรอบด้านฟังยังไงใจก็ยังสงบอยู่แต่ถ้าผู้ไม่ภาวนาผู้ไม่ปฏิบัติฟังอะไรหน่อยก็จะรำคาญใจฟังอะไรหน่อยไม่ถูกใจก็จะ วุ่นวายเกิดอารมณ์บันดาลโทษะแต่ว่าผู้ภาวนาที่เข้าถึงความสงบใจจริงแล้วนะได้ยินเสียงก็สงบไม่ได้ยินเสียงก็สงบ เห็นก็สงบลืมตาที่มองไม่เห็นก็สงบแม้หลับตาไม่ได้มองจุดนี้เป็นจุดสำคัญสำหรับผู้ภาวนาถ้าเราไม่เข้าใจการภาวนาจะสับสนไม่รู้ว่า พระกับมารแยกกันอย่างไรมารกับพระเกิดกันเวลาไหนหาจุดไม่เจอจิงบอกทั้งดีทั้งชั่วปะปนกันไปทั้งชั่วทั้งดีผสมผสานกันไปสุดท้ายใจจะบอกดีก็ไม่กล้าบอกจะว่าชั่วเลวเลยก็ไม่ใช่ อย่างนี้จิตจริงไม่สงกไม่สงกมันก็เหมือนกับเอาสีดำผสมสีขาวมันก็ออกเป็นขาวๆคุณๆมัวๆจะให้ดำเลยมันก็ไม่ดำ พอมันก็ยังมองมีสีขาวอยู่จะมองให้ขาวก็ไม่ขาวเพราะมันมีสีดำอยู่ฉะนั้นผู้ภาวนาจะต้องแยกออกมาแยกดำขาวให้ชัดเจนต้องแยกให้ชัดเจน ผิดคือผิดไม่ใช่ถูกถึงผิดใจไม่ผิดต่อธรรมนั่นก็คือไม่ผิดถูกใจแต่ผิดธรรมะใจนั่นก็ผิดไม่ได้จึงบอกว่าเหตุผลของมนุษย์ปุถุชนมีเหตุผลมากมาย มีเล่นเหลี่ยมมากมายมีกลนอุบายเยอะแต่ว่าสุดท้ายล้อหมุนยังไงก็หมุนแต่แกนล้อจะไม่หมุนถ้าแกนล้อหมุนพัทงทันทีบอกเออถ้าเราเข้าใจล้อที่หมุน มันสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในโลกทั้งหมดหมุนอยู่ตลอดเหมือนวงล้อจึงเรียกว่าเหมือนกับวัฏจักรบนเวียนอยู่ไม่รู้จบแต่ใจของผู้ที่ตั้งมั่นแล้วไม่หมุนตามไม่ไหลาตาม เอาผู้ภาวนาถ้าพวกเราเนี่ยาภาวนากันจริงๆนะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเมันเหมือนกับวงล้อที่หมุนอยู่แต่ใจที่ตั้งได้แล้วเหมือนแกนล้อที่นิ่งอยู่แล้วก็ ไม่ไหลไม่หมุนตามสามารถมองเห็นเหมือนจิตของผู้ที่ตั้งแล้วนะอะไรจะเกิดขึ้นใจก็ไม่ไหลยังตั้งมั่นอยู่ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดอะไรวันนี้พรุ่งนี้ หรือวันต่อๆจะเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรักษาใจนี้ไว้จะไม่ปล่อยใจคนปล่อยใจมีแต่ผิดคิดทำลายอนาคตแท้ชีวิตของข่านี้เป็นคนดีหรือคนบ้าอยู่ที่เรา เช่นั้นก็ต้องกําหนดให้ดีพอใจของเราเป็นศูนย์รวมแห่งความดีตั้งมั่นแห่งความดีและตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งความเมตตาสัพสิ่งทั้งหลายที่อยู่ร่วมกันก็อาศัยเมตตา ไม่ว่าจะเป็นจิตของพระโพธิสัตว์พระองค์ใดพระอาหารหันต์รูปใดพระอริยะเจ้ารูปไหนล้วนแต่มาจากพื้นฐานแห่งจิตที่เมตตาเมตตาทำให้เย็น โกรโทชะทำให้ร้อนพยาบามบอาฆาตยังก่อให้เกิดการเข็นฆ่าอาโหสิเป็นการหยุดต่อการมีเวณ ดันั้นจิตเหล่านี้ผู้ภาวนาจะต้องผ่านมันให้ได้ริงบอกว่าเราสามารถแยกออกมาจนสุดท้ายระหว่างธรรมและอาธรรมจะอยู่กันคนละฝัง่งฉะนั้นผู้ภาวนา ต้องดูจิตตรงนี้ว่าจิตไหนที่เป็นธรรมะจิตไหนที่เป็นอาธรรมเราก็จะรู้ว่าฝ่ายไหนคือมารฝ่ายไหนคือพระเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินมารกับพระเอาศีลตัดสินศีลตัดสิน ศีลไม่ได้ตัดศินเข้าข้างผู้ใดศีลตัดศีลไปด้วยคำว่าผู้ใดรักษาศีลผู้นั้นก็ไม่ตกเป็นมารแต่ผู้ใดอยู่ตรงข้ามกับศีลผู้นั้นก็เป็นมารฉะนั้นโยมก็ดูมารกับพระพระกับมาร ใจของเราแยกดีชั่วได้หมดไหมแยกบุญบาปได้บริสุทธิ์แค่ไหนพอเข้าใจสรรพสิ่งทั้งหลายนะเรารู้แล้วภาวนาแบบไหนละกิเลส ปฏิบัติแบบไหนใจสะอาดถ้าไม่เข้าใจสิบปีภาวนาก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเข้าใจสามเดือนไปไกลหกเดือนยิ่งไกลหนึ่งปีผ่านไป ใจไม่หวนกลับมาช่วอีกเลยแต่ด้วยกรรมวิบากของผู้ภาวนาอย่าชะล่าใจอย่าเข้าใจว่ารู้ธรรมะแล้วคิดว่าตั้งตนไว้ดีแล้วกรรมวิบาก จะไม่ให้ผลเนี่ยหาเป็นเช่นนั้นดีก็คือดีชั่วก็คือชั่วแต่ผลกรรมที่ได้สร้างเอาไว้ในครั้งก่อนที่ไม่ดีมันให้ผลอยู่ฉะนั้นหลายคนภาวนาดูเหมือนมีมารมาผจน ดูเหมือนมีอุปสรรคมากมายที่ทำให้การภาวนาล่าช้าฉะนั้นสิ่งที่เราจะฟันไปได้ก็คือพิสุจน์ธรรมะพิสูจน์จิตใจของผู้ภาวนาว่าเราจะผ่านสิ่งเลวร้ายได้แค่ไหน ความทุกข์ยากลําบากเราจะมีสติฝ่าฟันสิ่งเหล่านี้ได้เพียงไหนต้องผ่านก่อนทุกอย่างต้องผ่านการพิสูจน์ไม่ว่าอะไรทุกอย่างที่เขาผลิตขึ้นมาก็าต้องมีการพิสูจน์ก่อนว่ามันใช้งานได้จริงจริงออกสู่ท้องตลาด จิตใจของผู้ภาวนาก็เช่นเดียวกันก็ต้องถูกมานพิสูจน์อย่างสหั ส, สกันเขาจะไม่ประดีพวกเราเขาจะไม่พูดดีกับเราเขาจะไม่ทำดีกับเราเขาจะไม่มีเมตตากับเราคิดดู คำเหล่านี้และพวกเราจะอยู่อย่างไรจะเอาอะไรไปสู้ก็ถึงบอกนะว่าพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เบื้องล่างจนถึงสูงสุดเมตตา คำเดียวเหมือนดอกบัวที่บานได้เมตตาเอาเมตตาสู้ให้ถึงที่สุดที่สุดก็คือสุดท้ายคือลมหายใจดับใครทำได้คนนั้นสอบผ่าน แต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ผ่านฉะนั้นบทพิสูจน์บทนี้จะยาวนานเพียงไหนตมาตอบไม่ได้โดยเฉพาะมานเขาไม่ประณีท่านแม้พระพุทธเจ้ามานก็ไม่ประณี พระพุทธเจ้าใช้ธรรมไม่ใช้อาวุธใช้ความเย็นดับความร้อนใช้เมตตา ด, ดับความพยาบาทใช้ความมักน้อยสันโดษหยุดความวุ่นวายฟุ้งซ่านใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวกิเลสน้อยใหญ่ เวลาพูดฟังอย่างนี้ดูมันก็อ่านออกเขียนได้เข้าใจง่ายาแต่จริงๆไฟมันร้อนพอโดนไฟขึ้นมันมีอาการถึงบอกว่าในร้อยปีจะมีพระอรหรันต์สกิรูป ที่จะพ้นจากเงื้อมือของพยามาแต่ต่มาใช้มั่นในหนึ่งร้อยปีจะมีพระอัลลารสักกี่รูปที่จะอยู่เหนือพยามารได้เอาเป็นร้อยปีนะเพราะไม่รู้ว่าในปีปีหนึ่งจะมี ใครน้อจะได้บรรลุถึงขั้นอรหันต์ก็ไม่รู้แต่ถ้าตกนรกเนี่ยเต็มไปหมดเบียดเสียดกันหมดทิงบอกว่าใครที่จะผ่าน ความเป็นความตายใจที่ไม่หวั่นไหวผ่านสุขผ่านทุกข์ใจที่ปล่อยวางผ่านหนาวผ่านร้อนใจที่ว่างเปล่าได้จึงจะผ่านพ้นจากมานได้ฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ภาวนาปฏิบัติ เส้นทางอาจจะอีกยาวไกลหนทางยังอีกไกลยอย่าพึ่งล้าซะก่อนอดทนวันนี้ยังไม่พอในวันข้างหน้ายังมีทุกข์มากกว่านี้ทุกวันนี้คิดว่าใหญ่โตนักจริงๆแล้วยังมีทุกข์ที่ใหญ่กว่านี้อีก เรื่องที่เกิดมาในชีวิตจนถึงบัดนี้คิดว่ามันมากพอแล้วยังยังมากกว่านี้แล้วชีวิตที่ยังต้องอยู่เราจะทำอย่างไรคนที่พอจะพึ่งได้ก็ตายจากคนที่พอที่จะปรึกษาได้ก็ห่างเหินไป ที่พึ่งพอจะมีก็จากไปสุดท้ายเหลือตัวคนเดียวในทํากลางแห่งผู้คนที่หนานแน่นรับครังแต่เราจะต้องเดินในระหว่างที่เบียดเสียดในระหว่างที่มีการกระทบกระทั่งกันด้วยใจที่ มีความสุขสงบร่มเย็นอิสระละว่างเปล่ามันไม่ง่ายถ้าง่ายพระท่านบวชอรหันบมดแล้วอยู่นี่ยังไม่รู้ว่ามีสักองค์สององค์หรือเปล่าในแต่ละปีแต่ละปีถึงคุณธรรมขั้นสูง บอกว่าพวกเราต้องผ่านการพิสูจน์และผ่านการทดสอบแล้วก็สอบก็ไม่ได้บอกด้วยการพิสูจน์ก็ไม่รู้ว่ากี่พบชาติแต่อย่าง น, น้อยๆยมต้องพิสูจน์ใจตัวเองก่อน ศรัทธาไม่หวั่นไหวสมาธิตั้งมั่นตรงนี้สำคัญศรัทธาไม่หวั่นไหวสมาธิตั้งมั่นสติหมันรึกไว้ทำความเพียรอันต่อเนื่องหัดพินิจพิจารณาให้เกิดแจ้งรู้ด้วยปัญญา ยิ่งนำพาชีวิตจิตดวงนี้พ้นจากห่วงมารได้ในที่สุดไม่มีใครช่วยใจโยมได้อาจจะมารับรองได้ไม่มีใครช่วยใจโยมได้สุดท้ายใจของตัวเองจะทุกข์หรือสุข จะสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขโยมต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะเราไม่สามารถไปรับผิดชอบใจผู้อื่นได้ตลอดฉะนั้นการภาวนาการปฏิบัติทำยังไง ให้ใจไม่มีเงาเสมือนอดีตก็คือสิ่งที่ละไปแล้วและก็วางมันได้แล้วสุขหรือทุกข์ดีหรือชั่วเป็นบุญหรือบาปใจเราว่าง เมื่อจิตไม่มีเงาในเงานั้นไม่มีจิตชีวิตก็ดำเนินต่ออดีตก็ละไปแล้วอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันทำอะไรปัจจุบันคิดอะไร ปัจจุบันพูดอะไรกำหนดดูอาตมาได้ค้นพบคำง่ายๆแต่บางทีก็ดูเหมือนเราเนี่ยมองข้ามอบรมพระมาบอกเมื่อ จิตดีวาจาดีการกระทําที่ดีเมื่อสามอย่างนี้มารวมกันเข้าจึงเรียกว่าเป็นบุญกุศลแห่งการปฏิบัติและการภาวนา รวมทั้งศีลสมาธิปัญญาก็อยู่ในนี้ัตมาจึงบอกเออที่แท้บุญอยู่กับเรากุศลธรรมก็อยู่กับเราแต่เราไม่เข้าใจพูดมาตั้งนานกายวาจาใจแต่ว่า เรายังไม่เข้าใจลึกซึ้งไม่เข้าใจถ่องแท้พอนั่งกำหนดดูว่าเออบุญมันเกิดที่ใจใจที่มันดีวาจาที่พูดดีการกระทําที่ดีกุศลผลบุญเกิด นี่หนาที่เรียกว่าจิตเป็นกุศลจิตเป็นบุญสามารถคุ้มครองกายวาจาหรือเชื่อไหมผู้ภาวนาลองพิจารณาทำคำนี้พราะจิตดีสามารถคุ้มครองกายวาจาให้ดีได้แต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าจิตไม่ดี กายวาจีก็ไม่ดีตตมคิดก็คิดในสิ่งไม่ดีแล้วอย่างนี้บุญกุศลเกิดไม่ได้นั่นก็แสดงว่าบุคคลนี้ได้สร้างบาปกรรมแล้ว จึงบอกเออพระพุทธเจ้าพระอรหันต์พระอาาริยะาารพระปัจเจกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายท่านมาจากจิตที่ดีวาจาที่ดีการกระทําที่ดีมีจิตเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตใจอนุเคราะห์มีคําพูดวาจาช่วยเหลือเผื่อแผ่ มีการกระทาที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากรู้จักเจือจานแบ่งปันพอเข้าใจจุดนี้จะมาบอกความสำเร็จอยู่ไม่ไกลอยู่ที่ท่านแล้วทีแรกจะมานรีกว่าความสำเร็จ จะต้องไปหาที่แดนสุขาวดีต้องไปหาร่างทองคำมาไม่ใช่แล้วร่างที่เราอาศัยร่างที่เราอาศัยอยู่ร่างที่เน่าเปื่อยเนี่ยนะพอจับจุดได้เออเอาละต่อไปเราจะปฏิบัติ ใจดีพื้นฐานแห่งความดีจิตใจต้องมีเมตตาธรรมาจับได้เลยอ๋อไปไปมาๆห น, นีไม่พ้นเมตตาพระพุทธเจ้าพะตรัสรู้ยอมรู้ไหมพระเกียรติของพระองค์มีอยู่สามอย่างหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณก็คือเมตตาสอง พระปัญญาที่คุณสามพระมหาบริสุทธิ์ที่คุณถึงบ่าเออความริศยาความแก่งแย่งอิจฉาไม่มีฉะนั้นใจของผู้ภาวนาทั้งหมด ตาก็นั่งดูใจกันอยู่นั่งกำหนดดูใจตัวเองว่าเออยังอิจฉาใครบ้างถ้าเขาได้ดีดีใจกับเขาไหมหรือไม่ดีใจหรือรู้สึกไม่ชอบเขากำหนดตัวเองด้วยอย่ามองข้าม สิ่งเล็กๆในน้อยเนี่ยถ้ามองข้ามมันจะเป็นของใหญ่เมื่อรวมกันเช่้นโยมเชื่อพวกเรานะมีความริษยาอยู่ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่มีจริงๆมีจริงๆไม่ต้องมากณนาพระด้วยกันพระนักบรรยายด้วยกัน องหนึ่งก็นั่งเทศดียาิโยมศรัทธาอยู่ก็ถูกนิมนต์มาอีกรูปหนึ่งโถแสดงยาดโยมก็ให้ความศรัทธามากให้ความสำคัญมากองค์ที่อยู่เดิมๆชักขุนชักขุนพอมองเสร็จเออท่านรู้สึกไม่สบายแล้วใจท่านไม่สบาย อยู่ไปก็เป็นบาปกรรมให้กับท่านรู้แล้วก็รีบไปดีกว่าท่านไม่ได้โกรธแต่ว่าท่านรู้สึกไม่สบายนะใจขาดการกำหนดจิตลืมพิจารณาใจตัวเองในขณะที่เกิดในครั้งพุทธกาลก็มีเลย เรื่องเกิดขึ้นพระรูปนี้เป็นพระอาหารหันต์ท่านมาที่พักก็มีพระท่านอยู่ประจำตรงนั้นทีแรกมาก็ท่านก็ต้อนรับดีจะนั่งเดินนอนที่ไหนก็ให้ความสะดวกก็มีผู้อุปถาก กองพระที่อยู่ประจาเนี่ยท่านก็มาประจํามาเสร็จฟังธรรมก็เกิดเลื่อมใสศรัทธาสิ่งที่ไม่เคยถวายพระที่อยู่ประจําก็เอามาถวายผ้าอย่างดีอาหารอันปรารนณนีและแถมนิมนต์ให้ไปที่บ้านอีกบอกเช้าแล้วก็นิมนต์ให้ไปฉันเชื่อว่าพระ รูปที่เคยดีอยู่รู้สึกว่ามีผู้มาขัดลาบตัวเองก็เกิดความอิจฉากลั่นแกล้ง mm hmm. เพื่อตัดลาบของพระภิกษุอีกรูปหนึ่ง mm hmm. กรรมนี้ไม่น่าเกิดท่านท่านรู้จักคาว่ามักน้อยสันโดษมีเมตตา สิ่งนี้จะไม่เกิดกรรมครั้งนี้ที่ท่านสร้างสุดท้ายก็ไปทำให้ท่านมันกลับต้องรู้แล้วก็ต้องผละออกจากที่นั่นไปอาหารเสร็จทีก็าฝากมาถวายท่านท่านยังไม่ถวายเอาไปฝังดินถ้าจะทิ้งก็กลัวมีคนมาเห็น ต้องฝังดินต้องลงแรงอีกนะมาฝังดินดูเถฝังดินคิดหรือว่ากรรมนั้นมันจะไม่เห็นมันจะจบเปล่าเปล่าสุดท้ายพระรูปนี้ท่านมีอภิญญารู้ท่านก็ไปแล้วพระรูปนี้พอกลับมาพอรู้ว่าองค์นี้ไปท่านรู้สึกผิด เสียใจกินดื่มไม่ลงตอนหลัะและกรรมนั้นก็ติดตัวท่านคุณบอกแม่น่าเสียดายความริษยาดูไม่ออกจริงอยู่ว่าไม่ได้ให้ร้ายแบบการทุกตีแต่ใจ ไม่ปรารถนาให้ผู้อื่นเขาเจริญแล้วไปขัดเขาอีกกรรมวิบากก็ให้ผลท่านต้องหมกไหมในนรกอดอดอยากๆยากทุกภพทุกชาติมีชาติสุดท้ายได้กินอิ่มและมรณะภาพตายเวรกรรมไม่สิ้นสุดง่ายๆและโดยเฉพาะทำด้วยเจตนาที่ตั้งใจด้วย พงบอกโอ้กระจกใสเท่าไรมันก็สะท้อนกลับเท่านั้นยิ่งทากับผู้มีจิตอันบริสุทธ์เท่าไร่สิ่งที่ตอบแทนมันมากเท่านั้นไม่ว่าดีหรือชั่วฉะนั้นพวกเราเองผู้ภาวนา ต้องหมั่นตรวจใจตัวเองถต่มาก็นั่งดนะูตอนนี้รู้สึกใครที่ดีโมทนาสาธุถ้าดีกว่าโอช่างประเสริฐแท้เป็นบุญของศาสนาเนาสาธุดีแล้วได้ช่วยเหลือสัตว์โลกยังมีทุกข์อีกมาก ยังต้องการผู้ช่วยปลดเปลื้องชี้ทางบอกเราจะดีใจถ้าได้ลาบสักการะมาก็ต้องรู้จักแบ่งปันเจือจารย์และก็สร้างกุศลไปจริงกำหนดดูว่าใจเรามันยิ่งอยู่ยิ่งมกักมากยิ่งเป็นผู้เก็บสะสมหมักบ่มหรือเปล่า ในบอกผู้ภาวนาปฏิบัติเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นผู้ปล่อยวางเป็นผู้มักน้อยสันโดษที่ไหนได้ใจมีแต่ของเงี้ยมันไม่ใช่ฉะนั้นจิตต้องอยู่ด้วยความเมตตาตรมารู้แล้ว คุณธรรมข้อไหนก็ตามถ้าพื้นฐานจิตไม่มีเมตตาแล้วคุณธรรมข้อใดๆตั้งได้ก็ไม่นานมันเหมือนแผ่นดินคือเมตาตมาต้นไม้ที่จะมีรากเกาะยึดได้ก็ต้องอาศัยแผ่นดินพื้นฐานจิตถ้าไม่มีเมตตาแล้วคุณธรรมข้อใดๆก็งอกเงยได้ไม่งาน นะพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่ามีพระมหากราุณาธิคุณก็คือมีความเมตตาคิดช่วยเหลือเผื่อแผ่อออตะมารู้ละการภาวนาของผู้ที่จะสำเร็จได้ทำไมจิตท่านจิงเย็นเพราะท่านมีเมตตาทำไมจิตท่านจิงสงบได้เพราะท่านมีเมตตา ไม่เบียดเบียนไม่โกรธไม่เคืองแค้นใครถ้าไม่จิตท่านจริงละความโลภได้ก็เพราะจิตท่านมีเมตตาไม่ปรารถนาที่จะไปแย่งชิงทรัพย์สมบัติของใครความโลภความหมายคือการเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น เขาเรียกเป็นอภิชาหนึ่งในจิตที่เป็นมโนทุจริแตแปลว่าเพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่นแต่ถ้าเราประกอบอาชีพโดยบริสุทธิ์ยมจะมีหมื่นล้านแสนล้านในมีเป็นเลยหยกไม่เป็นไรแต่สุดท้ายต้องรู้จักวางมันใช้ให้เป็นซั์แล้วก็วางคำว่าความโลภไม่ได้หมายถึงว่าหาเงินไม่ได้ไม่ใช่นะ หาไปเธอแต่อย่าอยากได้ของคนอื่นที่ผิดโดยศีลทำการเบียดเบียนการให้ร้ายการคดโกงหรือการแย่งชิงหรือได้จากอุบายที่ไม่ถูกต้องอย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นความโลภแต่ถ้าเราทำมาหากินนะกำไรเดืนละล้านสองล้านยิ่งดีอยู่ทำไปเถอะอาชีพบริสุทธิ์ยังอยู่ในมรรคองแปด พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามเท่าว่าผู้มีคุณธรรมแล้วจะต้องอดอยากยากจนค้นแค้นใส่เสื้อผ้าชุดเดียวเดินก้นขาดไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันในเรื่องของฐานะแม้เป็นพระราชาอย่างพระเจ้าสุโธธนะสุดท้ายก็บรุษอรหันนะพระเจ้าปิปิสานก็บรรลุพระอริยะ ในวิสาขานี้ก็รวยมากก็บรุเป็นพระโสดาบันฉะนั้นคำว่าความโลภนะคือทำให้ใจต้องร้อน ด, ดั่งไฟแล้วอย่าเอาต้องรู้จักประมาณพอถึงเวลาถึงที่สุด เราก็คงจะต้องรู้จักคาว่าพอก็คือพอพอถึงจุดหนึ่งมันมากจนไม่รู้กินใช้ไม่หมดแล้วแต่ถ้าอาชีพอย่างถ้าเราลงทุนบริษัทมีคนอื่นก็ทำอยู่กิจการทำได้ดีก็ทำไปแต่เราไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายมากเราก็ดูแลแค่ผลประโยชน์และสุดท้ายก็ไม่ต้องไปยึดมัน ดังนั้นใจที่เข้าใจมีสมบัติไม่ได้ผิดเหมือนใส่เสื้อผ้าผิดไหมจะเป็นเสื้อผ้าเนื้อดีก็ไม่ผิดเนื้อหยาบก็ไม่ผิดปานกลางก็ไม่ผิดไม่ผิดทานอาหารอาหารปราณีรก็ไม่ผิดหยาบก็ไม่ผิดทุกอย่างเมื่อใช้เสร็จแล้วก็ให้รู้จักว่า แม้โยมยากจนเชื่อไหมแค่ร่มอันหนึ่งถ้ายึดมันมันก็เป็นกิเลสไม่ต้องพูดถึงเงินมากมายวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมันก็เป็นกิเลสถึงบอกเออพอเข้าใจการภาวนาอย่างแท้แล้ว จะไม่วุ่นวายนั่นแหละเมตตาเมตตาที่เราได้สั่งสมมาเวนก็ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวนก็เมตตาเห็นไหมโยมพอเมตตาจิตถึงจุดแล้วเนี่ยมันจะสะอาดใส แล้วก็มีบารมีสูงสัตว์ร้ายไม่สามารถก่กลายทำลายบุคคลนี้ได้พูดผีปีศาจ ท, ทั้งหลายก็ทำลายไม่ได้เพราะคุณธรรมเมตตาเนี่ยโอโหยมเป็นเหมือนเสมือนแผ่นดินของผู้ภาวนาที่พวกเราไปไม่ถึงไหนเนี่ย เมตตาน้อยดวงตาพวกเรายังคุนอยู่ตามาก็บอกวันนี้พระที่ท่านภาวนามาหลายวันบอกได้เลยว่าดวงตาที่ท่านมาวันแรกจนถึงวันนี้ที่ผ่านการอบรมภาวนาแววตาของทุกรูปได้เปลี่ยนไป สีหน้าหน้าตาอากับกิริยาได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงสามารถอยู่ด้วยความนิ่งสงบโดยเฉพาะแววตาที่มองมันสงบลงเงยือกเย็นลงฉะนั้นผู้ภาวนาพอเราเข้าใจนะ จุดนี้โยมต้องภาวนาจิตสะอาดได้จิตจะพองใสได้ต้องมีพื้นฐานของเมตตาและคุณธรรมข้ออื่นเข้ามาเสริมแต่ถ้าโยมขาดข้อนี้ข้อเดียวกระดานนี้ลม้มพอเกิดอะไรขึ้นมา จิตมันจะฉุนเฉียวขึ้นมาแต่ถ้ามีพื้นฐานเมตตาพอเกิดอะไรขึ้นมามันจะเย็นมันจะเย็นพอจิตเย็นสบายยอมดูแต่นั่งสบายทุกอย่างรับรู้หมดแต่ว่าจิตมีเมตตาอยู่ ที่ไปไม่ถึงไหนแตามายืนยันได้เลว่าเราขาดเมตตาอีกเยอะมากที่ว่าว่ามีเมตตาแล้วยังอีกไกลต้องอบรมจิตให้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมา ก, มากพราะเมตตาเกิดศีลก็ครบเลยฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าขโมยของก็ไม่ขโมยไปทำลายลูกเมียคนอื่นก็ไม่ทำลาย พูดให้ร้ายคนอื่นพูดหยาบก็ไม่พูดเห็นไหมโยมที่จะดื่มเหล้าสุราสิ่งเสพติดอันเป็นพิษภัยมาทำให้กับร่างกายตัวเองคนมีเมตตาเขาก็ไม่ทำลายแม้แต่ร่างกายที่ตัวเองอาศัยอยู่โยมาใสยร่างกายอยู่ทาไมยังไปทาร้ายเขาอีกมันเป็นบาป พ่อแม่เลี้ยงอย่างดิบดีป้อนข้าวป้อนน้ำให้อย่างดีดูสิดันไปเอาสิ่งเสพติดเข้ามาอีกบาปกรรมบาปกรรมออต่อมาก็ขอยุติการบรรยายแต่เพียงตอนนี้ขอเจริญพร